เมื่อวานหลวงพ่อสอนให้ทำสมาธิเอาไปทำเปล่าทำได้ไหมไปฝึกให้ชำนาญ น, นะแล้วต่อไปเวลาเราจะทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากแล้วหลวงพ่อทำแค่นี้ก็สมาธิเกิดแล้วหลวงพ่อทำได้ตั้งแต่เป็นโยมนะที่เมื่อวานเราให้ฟังมาสามินาทีจิตตองรวมไม่ได้ ทำไมกำหนดไว้สามวินาทนะีเพื่อมีอุบัติเหตุจะตายคงไม่ตายในพริบตาเดียวยนั้นโดนนิวเคลียร์ตายอย่างนั้นแต่ว่าโดนยิงโดนอะไรอย่างนี้นะลดควาอะไรอย่างนี้นพวกเราฝึกไว้นะยู่นี่คนบ้าเยอะอยู่ๆมันก็ไล่ยิงอะไรอยงนี้เครียดเอาอย่างกันครูบาอาจารย์ก็เคยบอกไว้สามสบกว่าปีไปแล้ว เมื่อคนรุ่นที่เกิดใหม่นะเขามาจากที่บางที่พวกเราอยู่กับเขายากจะรุนแรงไม่มีเหตุมีผลอะไรเครียดขึ้นมาก็สร้างเรื่องได้อยากดังก็ทำเรื่องได้คนปกติอยู่ยากเพราะนพวกเราเขาภาวนาหนีไปเราเคยหนีมารอบหนึ่งละ นี่มาจากอินเดียอันนี้ครูบาจจารย์เล่าให้ฟังนะหลวงพ่อไม่ได้รู้เองหลวงพารู้อย่างเดียวว่าหลวงพ่อไม่อยู่ด้วยหรอกนะ <c oughs> งั้นมันไม่แน่นะเราไม่ได้มีเรื่องกับใครใช่มแต่ว่าขับรถไปบางทีเขาไม่พอใจเราก็ยิงเอาก็มี แจ้งเบียดให้ตกถนนก็มีอะไรเงี้ยทำอะไรก็ได้ยุคนี้เพราะสังคมเนี่ยมันเอาอย่างกันด้วยคอ้ฆาตกรต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะฆาตกรรมต่อเนื่องเลยเมื่อก่อนไม่ค่อยมีอะฝรั่งเขาทำแล้วคนไทยก็ทำบ้างได้เป็นเน็ตไอดอล งล้นเราต้องอยู่เราจะไม่อยู่ก็ไม่ได้ก็มันเกิดมาอยู่ตรงนี้แล้วงั้นกรรมดีส่งผลมาให้เราเป็นมนุษย์กรรมที่ดียิ่งขึ้นส่งผลให้เราสนใจพระพุทธศาสนากรรมที่ดีมากกว่านั้นอีกสนใจให้เราได้ฟังธรรมเราเรีบปฏิบัติธรรม แตในขณะที่พวกเราสร้างกรรมดีกรรมดีให้ผลของเรามาหลายอย่างที่ว่าเนี้ยเรามาเกิดในยุคในยุคที่คนไม่ดีมันเยอะคนผ่านมันเยอะเราะฉะน้ไอ้นนกรรมดีของเราเนี่ยให้ผลเราได้ไม่เต็มที่แทนที่ว่าเรามีกรรมดีแล้วเราจะร่มเย็นเป็นสุขอะไรเงี้ยนะเราก็ยังต้องคอยระวังตัว เวลาที่กรรมให้ผลนยะมันไม่ใช่ว่าทำดีแล้วก็ได้ดีเลยอย่างบางคนรักษาศีลมันดีนะเกิดมาหน้าตาสวยเป็นผู้หญิงเกิดมาสวยๆแต่มาเกิดในยุคที่บ้านเมืองวุ่นวายบ้านแตกสลายขาดอนะไรเนี่ยความสวยเป็นอันตรายกับตัวเองผู้หญิงบางคน พ่อแม่ให้เครื่องป้องกันตัวมาแต่เด็กน่าเกลียดมากนะไม่มีใครฉุดหรนกมีต้องอยากที่ไปฉุดคนอื่นด้วยซ้ําไปแต่ว่าเนี้ยกรรมดีให้ผลมาสวยงามนะมาเกิดในยุคที่วิบัติะะนเมาวิบัติเนีกรรมดีมก็ให้ผลได้ไม่เต็มที่มันตัดรอนลงไปนเรื่องของกรรมมันประณีตมันซับซ้อนมากนะ ไม่ใช่ตื่นตื่นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไม่ใช่มีตัวแปรแปรที่แทรกแซงอะไรเงี้ยเยอะบางครั้งก็มีตัวแปรที่สนับสนุนอย่างเราบางคนนะมีความสามารถทางศิลปะเนี่ยกรรมดีสมผลมาแล้วมาเกิดในยุคที่คนเขาชอบศิลปะอย่างเนี้ยคนเขาจะรุ่งเรืองมาก บางคนมีฝีมือมากนะอย่างในแบงโกอะไร น, ะ น, ะนะั่นแะวาดรูปอมาขายไม่ได้สักรูปเลยนคนยังไม่เข้าใจนคนในยุคนั้นไม่เข้าถึงศิลปะตัวนี้นเกิดเร็วไปงั้นบุญที่ส่งผลมาให้เก่งอย่างเี้ยจีเนียสในทางศิลปะทำงานไม่เต็มที่มันมีการตัดร้อน อ, อะไรที่มันแกะหินเก่งๆมีคารเจโลคนไทยเลยมีอะไรนะไมเคิลเจโลมันเกิดในยุคที่คนสนใจศิลปะใะมันมีชื่อเสียงมันง่ายกว่ากันง่ายก่ากันของเราตอนนี้กรรมดีส่งผลมาให้เรา ได้ศึกษาศาสนาพุทธแล้วแต่เราเกิดในสังคมที่วิบัติสังคมที่หิวกระหายตเต็มไปด้วยความโลภทุกวันนี้ว้วนวายในโลกนี้เพราะว่าความโลภนะเมืองประเทศมีอำนาจมากก็โลภอยากจะครองโลกทั้งโลกอยากจะยึดทรัพยากรคนอื่นให้หมนในบ้านเมืองเรา นักการเมืองก็กอบความมุ่นหม่สร้างความเสียหายทีนึงเป็นแสนแสนล้านในเวลาสั้นๆยังทำโปรเจกพัฒนาบ้านเมืองดูสิโปรเจกนั้นแสนล้านแสนล้านนะยังถ้านักการเมืองมันไม่โกงมันก็มีผลงานเกิดขึ้นให้เราเห็นแต่ถ้าเงินเราหายไปมันก็ไม่มีผลงานนี่พวกไม่ดีพวกไม่ดีมันเข้ามา ชมนุมกันอยู่ในยุคนี้เยอะทับ้านเมืองเราก็เจริญช้าหน่อยช่วงไหนเจริญขึ้นเดี๋ยพวกชั่วๆก็เข้ามาทําลายยับเยินลงไปคนกลุ่มหนึ่งก็มาฟื้นฟูขึ้นมาอีกพวกนึ้งก็กลับมาทําลายไปเนี่ยสังคมจริงๆเป็นเป็นอย่างนี้ก็คนส่วนหนึ่งก็เครียดจัดพวกที่แพ้ก็เครียดจัดหรือพวกไม่มีทางสู้ คนส่วนหนึ่งจะไม่เป็นคนที่ไม่มีทางสู้นะเพราะสังคมนี้เปลี่ยนเร็วเปลี่ยนเร็วมากจนกระทั่งคนจำนวนมากเลยที่ปรับตัวต่อไปไม่ไหวแล้วนะพวกนี้ก็จะแสดงออกบางคนก็ออกในทางดีหน่อยนะหารมาพอวนาไม่เอาแล้วเรื่องโลกพออยู่พอกินไปบันดานึงก็โอเคแล้วนะพอเพียงในหลวงองค์ก่อนท่านสอนในเรื่องพอเพียง อีกพวกหนึ่งก็ออกไปทางกล้าวเล้ารุนแรงเป็นปฏิกิริยาตอบโต้สังคมที่ทารุณกับมันเราเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้เราต้องอยู่กับคนเหล่านี้เั้นอยู่กับคนเหล่านี้นะต้องภาวนาให้ดีเกิดอยู่ๆถูกยิงถูกยิงแล้วบรรลุพระอรหันต์ไปเลยตอนจะตายแยกทาตแยกขันไปเห็นเลยธาตุขันนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ พูดง่ายแต่ทำยากนะมีแต่ไม่ใช่ไม่มีคนที่บรรลุพระอรหันต์ตอนกำลังจะตายมีแต่ก็มีน้อยอไว้ใจไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะชนะหรือจะแพ้ในนาทีสุดท้ายงั้นเราฝึกตัวเองเอาตัวให้รอดตั้งแต่อย่างแข็งแรงอยู่ศีลรักษาไว้ให้ดี ตือศีลไม่ใช่คนอื่นไม่มายิงเรานะคนละเรื่องกันเลยถือศีลไว้แล้วจิตใจเรามีคุณภาพสูงขึ้นสมาธิเราจะ ง, ง่ายขึ้นมีสมาธิก็ไม่ใช่เพื่อมีอิทธิฤทธิ์มีสมาธิเพื่อจะมีกําลังเจริญปัญญาเจริญปัญญาก็ไม่ใช่เพื่อความฉลาดเหนือคนอื่นแต่เพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจ เห็นรูปนามกายใจตามความเป็นจริงแลจิตก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นจิตใจก็เดินไปสู่ความสงบสุขเราสามารถสงบสุขอยู่ได้นะท่ามกลางความวุ่นวายท่านพุทธทาสท่านบอกเหมือนลิ้น ง, งูอยู่ในปากงูในอยู่ในปากงูอันตรายไหมอย่างเราถ้าเราไปหลุดเข้าไปอยู่ในปากงูนี่อันตรายแน่หนึ่ง งูรับประทานนะถ้างูมีพิษแลงูตัวเล็กหน่อยกินเราไม่ได้เพราะกัดเราเจ็บแต่ลิ้นงูฉลับแป๊บแป๊แ ป, แปนะถ้าเขี้ยวงูไปโดนเข้ามันก็ยังไม่เป็นไรเพราะงั้นมันคล้ายๆอันนี้ท่านเปรียบเทียนบะคนที่เราฝึกตัวเองดีแล้วเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดนะีก็ไม่มีอันตราย ไม่มีอันตรายไม่ได้แปลว่าไม่ถูกญิงแต่หมายถึงว่าไม่ทุกเราจะไม่ทุกเนีย่ยเราจะอยู่ในสังคมที่แย่ขนาดไหนเราก็ไม่ทุกหรอกที่เราทุกเพราะว่าเราอินกับมันที่เราอินกับมันก็เพราะว่ารักตัวเองเยอะมันมีเราเราก็เลยอยากให้มันสบายมันดีเราคาดหวังไป เรื่องของกรรมมันซับซ้อนนะมันมีกรรมของคนอื่นด้วยกรรมของเราด้วยแล้วมันกระทบกระทั่งกันได้นะเกิดในบางประเทศเนี่ยไม่เหมาะกรรมดีของเราไม่ไม่เหมาะอย่างเรามีบุญนะเราสะสมมาไปเกิดในประเทศที่ไม่มีศาสนาพุทธนะ่นะหรือเกิดในครอบครัวต่างศาสนาออกไปกว่าจะกลับมาเป็นพุทธได้เนะี่ยยากมากนะยากมาก มีนะบางคนเกิดในศาสนาอื่นใจเขาไม่ได้ยอมรับศาสนาของพ่อแม่แต่เปลี่ยนไม่ได้หรือบางคนนะทำบุญแล้วก็อธิษฐานขึ้นมาให้เกิดมาเป็นคู่กันทุกทุกชาติแล้วก็ทำบุญทำทานได้มาปรากฏว่าคนหนึ่งมันไปเกิดอีกศาสนาหนึ่ง ถ้าเราจะแต่งงานด้วยเราต้องเปลี่ยนาศาสนาอะไรเงี้ยเราก็เสียตรงนี้ไปนะเรื่องของกรรมนะซับซ้อนไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองหรอกมีตัวแปรเยอะๆเลยเรื่องของกรรมจริงๆพระพุทธเจ้าถึงถือว่าเป็นเรื่องอาจินไตนะเป็นเรื่องที่เกินกว่าจะคิดเอานะเรื่องอาจินไตมีหลายเรื่องนะเรื่องความสามารถของผู้ทรงฌานะเรื่องมรรคผลนิพพาน ก็เรื่องกนี้เรื่องกรรมนะเกินกว่าจะคำนวณคนจะมาทายเรานะมีกรรมอย่างนี้อย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่แน่หรอกในคำผีก็มีนะสองเมืองนีรบกันแล้วก็มันก็มีพวกฤาษีมันมีฤทธินะ์ก็ไปบอกคนว่าเมืองเมืองที่หนึ่งจะชนะ เพ า, าพวกเทวดาเนี่ยมีฤทธิ์เยอะจะช่วยเมืองที่สองเนี่ยอ่อนแอกว่าเพราะว่าพลังภายในพวกเทวดานี่ไม่เข้มแข็งเท่าเมืองที่หนึ่งได้ยินคําทายนี้นะประมาททันทีเลยรบครั้งนี้ยังไงก็ชนะในขณะที่เมืองที่สองเนี่ยกำจัดสรนนะว่าควรจะแพ้ กำจัดสรรว่าควรจะแพ้คล้ามหาอนนาจไม่ช่วยก็ไม่ยอมแพ้นะพยายามซ้อมพยายามฝึกเข้มแข็งมากเลยนี่ทำกลับใหม่ที่แข็งแรงขึ้นมารบกันจริงๆนันชนะไอ้ฝ่ายแพ้ก็ไปด่าฤรีอสีทายผิดก็ฤสีก็บอกว่าก็อยากประมาทเองทำกรับใหม่ที่ชั่วไอ้พวกน้นมีต้นทุนต่ำกว่า แต่มันทำกลับใหม่ที่ดีมันไม่ประมาทมันก็ชนะก็สมควรแล้วล่ะอยากโง่อเองเรื่องของกรรมนะซับซ้อนไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกนี่เราไม่รู้เราไม่รู้อย่างคนที่ท่ายเรานะมีหลายคนนะจะมาบวช่็ได้รับคำถ่ายว่าจะได้มรรคผลนิพพานแล้วในรอบนี้ปรากฏว่าไม่ได้ พระไรเห็นได้รับคําทายแล้วก็สบายใจนะสบายใจประมาทนะแทนที่จะเร่งความเพีย น, นก็ประมาณไม่ต้องรีบมากเราได้รับคําทายแล้วอายุห้าสิบเราจะได้ธรรมะแล้วเราก็นอนรอไปอยู่ๆ49ปี 49.9 ก็มาเริ่มพรนหาไม่ได้นะถ้าไม่ได้เจ้าอ่าเขาตายผิดบอกเขาอย่างนั้นไม่ได้ ไม่ยุติธรรมพระตัวทํากรรมไม่ดนะีหรือควรจะได้ทํามะแล้วนะก็ไปทํากรรมที่แรงๆขึ้นมานะอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันปัดร้อนงั้นอย่างที่หมอดูเขาทายเรื่องโน้นเรื่องนี้นะฟังไม่เฉยๆนะฟังไว้เป็นเครื่องเตือนตัวเองเท่านั้นนะว่าไม่ให้ประมาทนะถ้ฟังแล้วประมาทแล้วก็เสร็จเลย หรือฟังแล้วตกใจแต่ตื่นเขาทายว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพเมื่อสามสี่ปีก่อนได้ยินไหมน้ำจะท่วมภาคกลางจะหายไปหมดเลยบางคนตกใจนะขายบ้านที่กรุงเทพนะย้ายไปอยู่เพชรบุญนะเมืองภูเขาเลยบางคนก็ซื้อคอนโดชั้นบนพวกนี้ฉลาดน้อยนะตัวเองไม่ถูกน้ำท่วมก็จริงนะแต่จะเอาอะไรกิน พวกหนึ่งหนีไปไกลเลยเมื่อก่อนในปีสองพันอะ Y2K เนี่ยพวกเข้าวัดนี่แหละพวกภาวนานี่แหละบางพวกแตกตื่นนั้นหนีไปอยู่ต่างจังหวัดเลยเพราะว่ากลัวนิวเคลียร์จะระเบิดเชื่อข่าวลือเชื่อข่าวที่คิดเอาเองเชื่อหมอตู้ หมอดูก็ทยแหลกลานลนะทยทุกปีมีทำํำทายออกมาแล้วพวกเราเคยเลคคอร์ดไหมว่าเขาถ่ายบ้าอะไรคนไทยไม่ไม่มีเลคคอร์ดนะคนจีนเนี่ยเลคคอร์ดงั้นเรื่องหลายพันปีก่อนเขายังมีบันทึกอยู่ของเราไม่มีหรอกเราจำจำมาแล้วเดี๋ยวก็ลืบงั้นไอ้พวกที่ทายสงเดจทําให้คนตื่นเต้นนะหากินในเมืองไทยสบายไม่มีใครจับผิดหรอ ตอนเขาถ่ายก็ตื่นเต้นอุ้ยคนนี้ยหละมันบอกแล้วน่าเชื่อถือพอถ่ายผิดคนก็ลืมแล้วพอเกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นมาก็าจะมีคนมาบอกเนี่ยบอกไว้แล้วไม่เชื่องี้นเราอยายเชื่อสิ่งเหล่านี้ดวงดาวทำอะไรมนุษย์ไม่ได้หรอกเราทำตัวเอง พุทธเจ้าไม่ได้เชื่อเลิกเชื่อยามเชื่อดวงเชื่อดาวอะไรทั้งสิ้นนะเชื่อกรรมกับผลของกรรมเราถึงจะเป็นชาวพุทธเราเชื่อเรื่องอื่นไม่ใช่ชาวพุทธหรอกกรรมกับผลของกรรมนะงั้นพยายามทํากรรมที่ดีไว้นะให้มากๆให้ใคๆสะสมต้นทุนไว้ให้มากมีศีลไว้มีสมาธิมีปัญญาไว้ กานทำทานมีโอกาสก็ทำถ้าไม่มีเงินก็ทำทานที่ไม่ต้องใช้เงินใช้แรงช่วยสังคมนะไปไหนก็มีถุงไว้สบายงเจอเขอยะก็เดินเก็บไปอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ได้บุญแล้วเป็นทานนะช่วยเขาช่วยสังคมไม่แต่เป็นต้องมีเงินเยอะๆคน หลงทางไม่รู้จะกลับบ้านยังไงบอกเส้นทางให้เขาแค่นี้ก็ได้บุญละแตครูบาอาจารย์นั้นก็สอนนะให้รู้จักทำทานหลวงพ่อไม่ได้สอนเยอะหลวงพ่อเบือ่อเบื่ออะไรเบื่อพระที่ส่วนทำทานทั้งปีเลยเรื่อยรตลอดเดี๋ยวก็ทำนู่นทำนี่ได้บุญนะเนี่ยถ้าซื้อพระเครื่องรุ่นนี้นะ จะดูดรัพย์ดูดไปหาแกสิมาดูดจากกระเป๋าเราอะไรนะมันหลอกกันอย่างเนี้ยนะเต้ไมไปหมดเลยหลวงพ่อนะเบื่อมากเลยทีก็ถึงปีก็แจกซองกันนะซองปึกเป็นปึกเลยบางทีไม่ไม่หนาขนาดเยอ้แต่หนาขนาดนี้นนนนะเป็นปึกๆเลยเราข้าราชการนะใส่ซองละร้อยเงนินเดือนก็จะหมดแล้ ว, ลวใส่สิบาทเนย ใส่ตามฐานะหลวงพ่อเลยเบื่อใส่ซองเรี่ออะไรนะนโยบายหลวงพ่อตั้งแต่มาบวชนะวัดหลวงพ่อไม่แจกซองรู้สึกไหมใครจะมาทอดกระตินก็อย่าไปพิมพ์ซองนะมีเงินเท่าไหร่ก็ทําเท่าที่พอใจไม่มีเงินเลยทอดกระตินวัดหลวงพ่อได้ไหมได้เอาผ้ามาชิ้นหนึ่งเอาผ้าแต่ขอผ้าที่ ยอมมาแล้วมาที่ตัดมาแล้วพระหลวงพ่อเย็บผ้าไม่เป็นถ้าวัดครูบาอาจารย์เนี่ยเขาเอาผ้าขาวไปก็ะถิ่นจริงๆมีแค่นั้นเองผ้าขาวพืนหนึ่งพระก็าาจะเอาไปตัดไปเย็บไปย้อมต้องให้เสร็จในวันเดียวเนี่ถ้าพระเราไม่เป็นเนี่ยเย็บกันไตชักหรือเย็บแล้วมันแทนที่จะได้ จีบอ่อนได้เอี้ยมมาตัวหนึ่งนะงั้นมาทอดกระตินวัดหลวงพ่อนะขอผ้าเหลืองชิ้นเดียวเท่านั้นแหละขอไม่จาเป็นว่าต้องแพงต้องอะไรหรอกเงินทองไม่จาเป็นพระวินัยไม่ได้กําหนดไว้แต่ว่าที่อื่นเขาต้องการเราก็ไม่ว่าเขานะอย่างวัดมันก็ต้องเลี้ยงตัวเองบางที่คนก็ไม่เข้าวัดละ ไม่มีข้าวจะกินด้วยซ้าไปอย่างวัดของพ่อเนี่ยพลาเยอะนะมีข้าวให้กินหลวงพ่อยังอยู่ช่วงที่หลวงพ่อไม่สบายไปอยู่โรงพยาบาลครึ่งปีปลางนี่นะให้แม่ครัวคนมาม่าในครั้งเนี่ยเกลี้ยงเลยนะดีว่าเรากลับมาก่อนนะไม่งั้นจะต้องกินสองมามา <c oughs> ่าล้วสังคมตอนนี้ไม่ได้ใส่บาทแนละ้ว ในหมู่บ้านเนี่ยพระเดินไปยี่สิบองค์เนี่ยมีข้าวพอที่จะฉันได้นะสองสามโมงเองที่เขาใส่บาตรเนะี่ยนนั้นไม่พอยันบางทีวัดก็ต้องหาเงินมาเราก็เห็นใจครับไม่ได้ว่าเขาหรอกแต่เราไม่จําเป็นเราก็ไม่ทำํำมาอยู่ที่นี่สบายใจอย่างนึ่งนะหลวงพ่อไม่ไถ่แ้่ถ้าใครไถ่เนี่ยมาบอกหลวงพ่อนะมีนะ นี่บางทีเรารูู้ชา้ามันไทยคนไปเยอะแนะแอบๆเข้ามาพยายามฝึกนะมีโอกาสทำทานมีโอกาสทำทานหมายถึงอะไรอย่างถ้าทำทานทางวัตถุมีสิ่งของเสื้อผ้าเรามีเยอะเกินไม่ได้ใช้ให้คนอื่นไปเปิดตู้ดู คนมีกระเป๋าตั้งเยอะแยะนะไม่ได้ใช้อันไหนที่นานๆนนแล้วไม่ได้ใช้ให้เข้าไปนะจริงๆคนเราใช้ไม่มากหรอกเสื้อผ้าก็ใช้อยู่ไม่มากครกับแค่นี้ก็ฐานแล้วนะคงไม่ต้องถึงทําทานขนาดว่าเห็นคนไม่มีบ้านก็เรียกมานอนในบ้านเรานะมันก็น่ากลัวเกินไป <c oughs> ก็เกินไปน้อยก็ต้องฉลาดพอนะที่จะรักษาตัวเอง มีข้าวเห็นแมวเห็นหมามันอ ด, ดให้อาหารมันแต่ให้ก็ต้องระวังอย่ามาให้หน้าวัดหลวงพ่อปให้หน้าบ้านเราเอง <c oughs> ไม่งั้นหมามาชุมนุมอยู่เยอะแยะเลยพอหมาเข้ามาอยู่ในวัดเยอะๆเนี่ยวุ่นวายนะพระก็ต้องหาเงินไปฉีดยาหมาองค์ไหนจะไปอาบน้ำให้หมาละ่ะ เพราะว่าหมาไม่รู้จักไปยุ่งกับมันก็ไม่ได้ในที่สก็ต้องอยู่ห่างๆหมาก็เน่าผมคนมาเข้ามาเบียดคนมาวุ่นวายมากัดกันวุ่นวายหลวงพ่อเคยเห็นบางวัดนะหมาเยอะจนพระหนีหมดวัดเลยพระอยู่ไม่ไหวทาไมพระอยู่ไม่ไหวไม่มีโยมเข้าวัดเลยเพอเข้าไปเนี่ยหมาทั้งนั้นเลยดีไม่ดีเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหมา วัดหมาเพราะว่าเต็มไปด้วยหมาไม่มีอะไรแนะล้วหลวงพ่อถึงพยายามบล็อกนะไม่ใช่ไม่สงสารนะแต่ว่าถ้าเราสงสารแบบไม่มีขอบเขตเนะี่ยหมาเต็มวัดนะมันนั่งเรียนตรงนี้นั่งเรียนไม่ได้แล้วหนะมาจะกัดกันวุ่นวายไปหมดเลยหนะมาขี้เลื้อนหมาอะไรเต็มไปหมดเลยหนะลวงพ่อเลยพยายามกั้นรั้วไว้ ส่วนหมาที่หลุดเข้ามาเนี่ยมีเหมือนกันหลุดเข้ามาก็จนะออโดนงูกินโดนเล็บกินย่ า, าสัตว์มาปล่อยที่วันนี้หมาแมวเนี่ยไม่รอดหรอกนะโอกาสรอดนี่ต่ำมากเลยเพราะว่าในนี้มันป่าเอาสัตว์บ้านมาปล่อยเนะียไม่มีรอดหรอกเรามีข้าวนะเราก็แบ่งเห็นพระ พระจริงจิงอดอยากนะพระจริงไม่ได้ร่ำรวยอะไระเห็นพระเราก็ให้อาหารเราก็ได้บุญแต่มันมีดีกรีของการทำบุญถ้าเราทำบุญกับพระอริยสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนี่นี่เบอร์หนึ่งเลยเพราะผู้รับเนี่ยบริสุทธิ์มากทำบุญกับพระกับสงฆ์ ก็ถือว่าบุญเยอะเพราะเราทําเราใจกว้างอย่างเราไม่รู้ว่าพระองค์ไหนเป็นยังไงยังสามารถสละได้เราใจกว้างเราก็ได้บุญเยอะถ้าเราทําบุญกับพระเจาะตัวชวนอาจารย์น้าพาพระไปบิณฑบาตจ้องใส่อาจารย์อาจ้องบุญลดลงละเพราะใจแคบนีค่อยๆดูไป แล้วทําบุญกับคนมีศีลได้บุญสูงกว่าคนผู้ศีลทําบุญกับคนทุศีลได้บุญสูงกว่าทําบุญกับสัตว์ในไร่ฉานเพราะภูมิจิตภูมิทํามันสูงกว่ากันนี่ในฝ่ายผู้รับนะในฝ่ายผู้ให้วัตถุทานที่เราจะทํานะบริสุทธิ์ใหม่โกงเข้ามาแล้วมาทําบุญห้าล้านไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่ เรามีน้ำพักน้ำแรงเราได้วันหนึ่งสามร้อยบาทเราทำบุญห้าบาทบุญเราเยอะนะบุญเราเยอะในฝ่ายวัตถุที่จะทำนะแล้วก็ผู้ทำผู้ทำเองมีเจตนาที่เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างเราลงทุนล้านหนึ่งไปปล่อยโบปล่อ ย, อยควายตั้งความปรารถนาขอแข็งแรง ไม่ได้ทำด้เมตตานะแต่ทำเพื่อจะเอาเข้าตัวได้บุญน้อยได้บุญน้อยไม่ทำเลยดีไหมบอกตรงๆเลยไม่ดีต่อไปเกิดชาติต่อไปจะมีปัญญานะอย่างเราภาวนาอย่างเงี้ยเราจะมีปัญญาแต่โจนโจนสมัยพุทธกาลขามีนะมีพระวงหนึ่ง ท่านไม่เคยทำบุญเลยชาติก่อนๆนะวันหนึ่งกินข้าวกินข้าวนะแล้วก็มีเศษอาหารติดปากก็จะไปบ้วนทิ้งเห็นหมดดำเดินแถวมาพอดีกนะ็เลยค่อยๆบ้วนกนะก่ า, าเดี๋ยวมดได้กินเศษข้าวที่บ้วนปากแล้วท่านก็เวียนอยู่ในวัด ส, สงสารเนี่ยนา น, านลำบากมาจนถึงชาติสุดท้ายเนี่ยมาเกิด ได้บวชเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรสารีบุตรสอนกรรมฐานไงท่านก็ภาวนาไม่ได้นะท่านไปบินธบาตเนี่ยคนที่มีตังค์นะไม่เคยใส่อาหารให้ท่านเลยนะต้องไปเก็บเศษอาหารแบบเข้าไปในหมู่บ้านของคนที่จนที่สุดนะ่ะมันคือกลุ่มมดํำที่พัฒนาขึ้นมาพวกนั้นก็มีอาหารซึ่งแบบเหลือเดนแล้วอะไรเงี้ยนะให้ ท่านไม่เคยกินอิ่มสักวันหนึ่งแต่บุญบา ร, รมีทางปัญญาเนี่ยมีไปอยู่กับภาษาลิบุตรเลนี่นภาษาลิบุตรท่านก็พิจารณาว่าศิษย์คนนี้ทําไมไม่บรรลุมรรคผลทั้งๆ ท, ที่ปฏิบัติถูกต้องดีงามทุกอย่างเลยพิจารณาดูแล้วอาหารไม่พอเรื่องอาหารไม่สัตยยะนะท่านก็ไปบินธบาตมาภาษาลิบุตรนะช่วยลูกศิษย์นะ บินธาบาัตมาได้แล้วก็มาเทเข้าวใส่บาตรของลูกศิษย์ในตำลาบอกว่าข้าวนั้นหายไป mm hmm. หายไปแม้ได้กินน่ะพระสาธิบรุษไปบินธาบาตใหม่นะคราวนี้ท่านถือบาตรไว้ให้ mm hmm. ยังเป็นบาตรของพระสาธิบรุษอยู่ข้าวยังอยู่ในบาตรเรียกลูกศิษย์มากินจากบาตรท่านากินอิ่มนะในชีวิตเนี่ยอิ่มครั้งนี้ครั้งเดียว พออิมแล้วพระสาที่บุตรเทศให้ฟังนิดเดียวนะมันรู้พระอรหันต์แล้วก็นิพพานตอนนั้นเลยสิ้นชีวิตตอนนั้นเลยงั้นบุญทานอะไรนะมีโอกาสทําก็ทําแต่ไม่ใช่ทำได้โลภทำได้รลมได้บุญนิดเดียวหลวงพ่อเห็นนะครูบาอาจารย์บางองค์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่หละบางองค์เนี่ยโอ้ท่านฟุ้งามากอย่างหลวงพุทเทศนะบุญบารมีท่านในทางฐานเนี่ยฐา น, านมาเยอะ คนนะยขนของดีๆมาให้ท่านฉันนะบางคนนะมีใส่ไข่ปลาคาเวียนะใส่ชามคริสตันนะชามกระจกก็ไม่ได้นะมาใส่หลวงปู่พระก็ตักใส่ไปเรื่อยๆสงคืนพอจะส่งชามคริสตันไปที่พระอื่นนะหญ่คนนี้ตะโกนของฉันเอาคืนมาของฉันเ <c oughs> นี่ย ไม่ได้บุญนะปล้นของส่งนะตอนถวายเป็นแล้วเป็นของส่งไม่ใช่ของชั้นแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อใหญ่จัดใหญจัดหรือใหญ่จ่าจำได้ไหมบ้านอยู่ข้างวัดนะใหญ่คนนี้โจนโจนนะถือจานสังกสีรู้จักไหมจานสังกะสีโบราณนะ่ะที่มันมีลายดอกไม้อะไรเครือบเคลือบไม่หยับหยับจานนี่ก็กระเทาะนะบินบินกระเทานะ ถือเข้ามามีผักอยู่นิดหน่อยนะก็มีน้ำพริกอะไรอยู่หน่อยผักนี่แก็เดินเก็บออกแถวบ้านฮนะไม่ได้ร่ำรวยอะไรกับใครเขาเดินมาถึงพอหลวงปู่เห็นหลงปูกควักมือเรียกเลยจำได้ยัางกฐถวายหลวงปู่เอาไวเลยไม่ส่งต่อด้วยพวกคุณหญิงคุณนาย โอ้ดมาให้หลวงปู่ฉันเดี๋ยวหลวงปู่ไปนะฮิวาหลวงปู่ฉันตอนนั้นท่านสร้างเมต น, นะยายคนเนี้จกได้ประเติมเป็นศพที่หนึ่งเพราะแก่ๆ่มากแล้วนะแกเลยนะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเนะียบุญสูงมากนะสูงกว่าพวกเราหลายๆคนเลยนี่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านท่านมุ่งปัญญา เราไปดูอาหารท่านนะอ้หูอัอตคัดมากเลยยังหลวงพ่อกิมฉันข้าวกับพริกกับเกลือฉันอยู่งนะั้นมันไม่มีอาหารลนะําบากงั้นหลวงปู่ดุลอะไรบอกว่ามีโอกาสทําก็ทําไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องดิน้นทะุรนทุรายไปไม่ได้บุญหรอกงั้นความดีทําให้ครบนะทานศีลสมาธิปัญญาทําให้ครบ ไม่ใช่ปัญญาเป็นบุญที่สูงที่สุดแล้วทิ้งบุญอื่นแล้วพยายามทำไปมีโอกาสก็ทำแต่ทำเพื่อเอากิเลสออกนะไม่ใช่ทำเพื่อเอากิเลสเข้าเราถึงจะได้บุญแรงแล้วต้องฉลาดในการทำต้องฉลาดทำบุญบางทีอย่างคนขอตังคนะ์เนี่ยหลวงพ่อไม่ค่อยให้มันจะมายุ่งกับเราทีหลังไม่รู้จักเลิกหลวงพ่อจะให้ขาองค์กรให้โรงพยาบาลให้ วันนี้ที่ให้อะไรเงี้หลวงพ่อทำอย่างนี้มาเรื่อยๆนะงั้นคนจะไม่มาพึ่งบากับหลวงพอ่อยังมาขอตังค์เราเราให้ตังคนะ์เนี่ยถ้ามาขออีกไม่ให้เมื่อไหล่โกรธเลยคนเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะเงั้นเราหลวงพ่อเวลาช่วยเนะี่ยหลวงพ่อจะไม่ช่วยแบบเจาะคนนี้คนนี้คนนี้มันสร้างความผูกพันเราจะช่วยแบบไม่ผูกพันอย่างเดือนธันวาที่ผ่านมาหลวงพ่อ ชวนพวกเราแต่เดิมพวกเราจะตามหลวงพ่อไปปล่อยบัวปล่อยควายหลวงพ่ อ, ป ล, อปล่อยมาเยอะแล้วไปช่วยคนบ้างอัพอัพเกรดหน่อยช่วยเดรัจฉานมานานแล้วนะช่วยคนบ้างบอกไปช่วยโรงพยาบาลไปช่วยโรงพยาบาลใครถนัดจะไปช่วยโรงพยาบาลไหนเห็นที่ไหนหน่าสงสารน่าช่วยเหลือก็ไปช่วยไม่ต้องมารวมกลุ่มไว้ที่เดียวถ้ารวมกลุ่มที่เดียวมาเอาเงินมารวมไว้ที่หลวงพ่อแล้วไปให้โรงพยาบาล น, นี้ ลงพยนบาลอื่นอยากได้เดี๋ยวจะมาเข้าคิวขอเราอีกเพนะรากระจายอย่างเนี้ยเราไม่มีภาระทีหลังนะเราไม่มีข้อผูกมัดไม่มีความผูกพันว่าจะต้องที่นั่นที่นี้คนนั้นคนนี้นะแล้วเราทําแล้วเราสบายเราทําแล้วเราโปร่ง่ทําแล้วเป็นภาระทางใจนะไปไปกินข้าวนะบุญให้ผลแล้วมีข้าวกิน นี่หมดเลยครับ